พุทธกานิกายอิติวุตกะนะครับอวุธิกสูตรนะครับในติกานิบาศนะนะข้อสองหน้า4ี่จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลสมจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสมจำพวกเป็นฉนไหนคือ บุคคลผู้เสมอด้วยฝนไม่ตกหนึ่งบุคคลผู้ดุดฝนตกในที่บางส่วนหนึ่งบุคคลดุดผู้ฝนตกในที่ทั่วไปหนึ่งบุคคลเหมือนฝ น, นนะนะดูกอาพิสูทั้งหลายก็บุคคลเสมอด้วยฝนไม่ตกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ให้เข้าไม่ให้น้ำผ้ายานดอกไม้ขล้องหอมเครื่องลูกใยที่นอนที่พักเครื่องอุปกรณ์แสงสว่าง แกสมณพราหมณ์คนกัมพราร์คนเดินทางวันนิพกและยาจกทุกหมู่เหล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เสมอด้วยฝนไม่ตกเป็นอย่างนี้แลนะครับทานไม่ให้เลยนะครับไม่ให้ไม่บริจาคไม่อะไรทรากอย่างนะครับขีดเนียวนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ดุดฝนตกในที่บางส่วนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไลที่นอนที่พักเครื่องอุปกรณ์แสงสว่างแก่สมณพราหมณ์คนกัมพระคนเดินทางวันนี้พกและยาจกบางพวกคือให้บางพวกกันนะบางกลุ่มไม่ให้แก่บางพวกกันนะพวกไหนถูกใจก็ให้ไม่ถูกใจก็ไม่ให้อย่างนี้นะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ดุดฝนตกในที่บางส่วนก็เป็นอย่างนี้แล้ว ถ้าพูดแบบเราเราก็คือไงครับถ้ า, าคันตุกะมาทะลุพวกกันก็ให้พักทำอะไรพวกก็ไม่ให้พั ก, ก น, นะครับลักษณะเนี่ยนะฝนพวกฝนตกเป็นบางที่ไม่ตกเป็นบางที่นะถ้ารู้จักกันมามีเส้นมีสายอ้าวพักได้กุฏิว่างเสมอถ้าหากว่าไม่มีเส้นมีสายมา ก, กุฏิบาว่างอาาาายา่างนั้นอดเลย น, นะครับแล้วพุทธพุทธิบอกว่าบุคคลพึง ใครครวญคือบุคคลพึ่งเลือกแล้วจึงให้ทานอย่างี้ตรงตรงนี้เนี่ยหมายความว่าอย่งไรคือถ้าหากว่าการให้นี่มีอยู่สองอย่างนะครับให้ด้วยอนุเคราะห์กับให้เพื่อประสงค์บุญนะครับถ้าหากว่าให้ด้วยใจที่อนุเคราะห์เนี่ยนะใครก็ให้ไปเถอะแต่ถ้าหากว่าจะให้ประสงค์บุญนะครับหวังผลเนี่ยนะให้ให้เพื่อบูชาเป็นต้นก็ควรเลือกให้นะครับถ้าจะให้เพื่อบูชานะเรียกว่าบรรณาการเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเราไปเจอคนไม่มีศีลเนี่ยแล้วก็เราก็มีไทยธรรมอยู่เนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ให้เนี่ยครับเราคิดว่าเราจะเก็บเอาไปทำในในเขตบุญหรือในนาบุญที่มันดีกว่านี้ดีกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยะจะถือว่าเป็นประเภทนี้หรือเปล่าที่สองเนี่ยก็ถ้าเราจะเลือกให้อย่างที่พระสุคตสารเสริญก็น่าจะเข้าดีนะครับถ้าปา ร, รบว่าควรที่จะเลือกให้นะให้กับผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นหนะนะ ถ้าถ้าคือข้าของมันมีจำกัดอ่ะนะเนื่องจากว่าไม่สามารถไปทำเรี่อยรายได้ก็ก็ไปเลือกให้กับคนมีศีลก็น่าจะปฏิบัติตามโอวาทในที่นั้นๆนะครับก็จะเชื่อว่าข้อที่ผมก็ถ้าประสงค์ให้ทำบุญกับผู้มีศีลก็น่าจะไม่เข้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลท่านก็เป็นอย่างนั้นนะครับ ท่านก็ไม่ได้ว่าตั้งแล้วก็ไปเที่ยวทำบุญตามวัดเจริญทีทั้งต่ายแหล่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาก็มาเลือกทำกับผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นนั่นแหละแต่ถ้าเขาตั้งโรงทานตั้งอะไรนะใครมากินก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาจะทำเอาบุญยิงๆเนี่ยนะเาก็เลือกทำนะครับตรงไหนเป็นนาบุญของเขาเขาก็ทาตรงนั้น ดูการพิสูจทั้งหลายก็บุคคลผู้ดุดฝนตกในที่ทั่วไปเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ข้องหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องอุปกรณ์แสงสว่างแก่สมณพราหมณ์คนกาพระคนเดินทางวันนิพกและยาจกทั้งปวงดูการพิสูจนทั้งหลายบุคคลดุดฝนตกในที่ทั่วไปเป็นอย่างนี้แลดูการพิสูทั้งหลายบุคคลสาจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก แล้วผมก็ตรัสเป็นคาทับประพันว่าบุคคลได้พบสมณะพราหมณ์คนกําพรา้าคนเดินทางวันนี้พกแล้วย่อมไม่แบ่งข้าวน้ำและเครื่องบริโภคให้บัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้เป็นบุรุษต่ำช้านั่นแล้วว่าเป็นผู้เสมอด้วยฝนไม่ตกนะครับ mm. เลวมากนะครับทานก็ไม่เคยให้เลยนะกินแต่ของเก่าอย่างดีนะครับกินของเก่าอย่างเดียว บุคคลใดย่อมไม่ให้ทัยธรรมแก่บุคคลบางพวกย่อมให้แก่คนบางพวกชนผู้มีปัญญาทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นว่าดุดฝนตกในที่บางส่วนถ้าพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงอย่างโยมทั้งหลายที่เขาใส่บาตรนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ขาประจำเขาไม่ใส่ให้นะพระขาจรมานี่ไม่ใส่ให้เลยนะครับอนะลักษณะนี่นะครับคือขนาดว่าในพระาศาสนาเนี่ยพระภิกษุเหมือนกันเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าไม่ใช่เจ้าที่เคยใส่ก็ไม่ใส่ยังเด่อนะครับจะรอชุดนั้นแหละ น, นะพระภิกษุที่อื่นที่มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นตนก็ไม่ใส่นะครับจะรอใส่แต่พระที่ตัวเองเคยใส่อยู่นั่นแหละลักษณะนี้แหละครับบุรุษผู้มีวาจากล่าวว่าพักษาดีอนุเคราะห์สัตว์ทั่วหน้ามีใจยินดีประดุดโปรยไทรธรรมกล่าวอยู่ว่าจงให้จงให้ดังนี้ บุคคลบางคนในโลกนี้ผู้เป็นเช่นนั้นรวบรวมทรัพย์ที่ตนได้แล้วด้วยความขยันหมัน่นโดยชอบทำอย่างวันนี้พวกทั้งหลายพูดถึงแล้วให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำโดยชอบเปรียบเหมือนเมฆบลือกระหึ่มแล้วย่อมยังฝนให้ตกยังน้ำให้ไหลนองเต็มที่ดอนและที่ลุ่มเช่นนั้นถ้าหากว่าเป็นนักให้จริงๆเนี่ยก็เหมือนกับฝนตกนั่นแหละครับยี่ปองเปรียบเทียบอุปมา ชัดเจนนะครับถึงบุคคลเหมือนฝนเนี่ยนะก็พอหาได้ในโลกนะครับของแต่ละหนแต่ละแห่งก็พอเห็นนะครับคนประเภทนเนี่ยนะอย่างในหมู่บ้านเนี่ยนะครับหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าบางกลุ่มนี่ไม่ให้ทานเลยนะครับไม่ให้ทานเลยบางกลุ่มนี่เลือกให้นะครับถ้าสัตชันเป็นศรัทธาของวัดนี้ฉันจะให้แต่วัดนี้วัดอื่นไม่สน นะครับอีกพวกหนึ่งก็ให้หมดนะครับไขมาก็ให้หมดนะครับพระจากไหนก็ให้หมดในลักษณะนี้นะก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับตามหมู่บ้านต่างๆพวกมนรู้์จักแยกแยะดีชั่วครับนะครับทีนี้ก็ส่วนในอัตถกาถาก็ไม่มีอะไรขยายมากนักนะครับคือคือขยายแต่ว่าส่วนเนื้อหาก็คุ้นๆกันอยู่แล้วนะพอเข้าใจอยู่แล้ว ในคาถานะครับข้อความใ น, าาในพรคาถาที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะนามีใจความโดยสังเขปดังนี้ว่าฟ้าคือมหาเมฆเนี่ยนะครับร้องด้วยเสียงเบาๆก่อนแล้วจึงร้องกึกก้องไปทั่วทุกห่วงน้ำและลำธารอีกแล้วโปรยฝนลงมาไหลไปให้ที่ลุ่มและที่ดอนทั่วทุกหนแห่งเต็มเจิงไปด้วยอุทกาวารีทา ให้เป็นห่วงน้ำห่วงเดียวกันฉันใดบุคคลที่ใจกว้างขวางบางคนในที่นี้คือในโลกนี้ก็ฉันนั้นเพราะเป็นผู้มีใจเสมอในคนทั่วไปเหมือนมหาเมฆนั้นเพราะต้องให้ฝนตกลงมาเป็นผู้ไม่เกียดคร้านโดยที่ทรัพย์เป็นของได้มาด้วยความมันคือเกิดด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนรวบรวมทรัพย์นั้นไว้โดยทรรมคือโดยชอบ อย่างวันนี้พกทั้งหลายพูดถึงแล้วคือมาถึงแล้วให้อิ่มคือให้อิ่มน้าสําราญโดยชอบคือพอเหมาะแก่กาละเทศะนะครับกาละเทศะก็นับสําคัญนะครับและเหมาะแก่ความต้องการโดยชอบทีเดียวด้วยข้าวน้ําและไทยธรรมอย่างอื่นที่เกิดจากทรัพย์ที่รวบรวมไว้นั้นดันงนี้นะครับอันนี้ก็คือกล่าวถึงบุคคลประเภทฝนตกทั่วฟ้านะลักษณะนี้นะครับ